คว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นเป็นความจริงของธรรมที่เป็นอย่างนั้นตลอดมามีอยู่เป็นอยู่เช่านั้นแต่การที่จะรู้เห็นธรรม ตามขั้นภูิของของธรรมของใจนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเพื่อสัมผัสสัมพันธ์ธรรมนั่นๆแต่ละลายละลายไปไม่ได้ตลอดทั่วถึงเหมือนกับคำว่าธรรมมีอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนั้นบรรดาผู้สอก สแสวงธรรมด้วยการปฏิบัติจึงปรากฏว่าถ้าเป็นพระท่านองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเวลานั้นท่านองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในสถานที่นั้นเวลานั้นอิริยาบทนั้นเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในปัจฉิมยาม คืนด่วนหกเผ่นเป็นตนน้นนี่คือการเข้าประสบธรรมบรรลุธรรมในขณะที่ว่าบรรลุธรรมก็คือการช้าล้างหรือสังหารสิ่งที่ปกคลุมจิตใจมาให้รมปรากฏขึ้นอย่างเต็มส่วนนั่นแหละ ในผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยการปฏิบัติของตนนั้นจึงขึ้นอยู่กับอุบายวิธีการต่างๆตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและกำลังวังชาของตนไม่เช่นนั้นไม่มีทางทราบตามความจริงแห่งธรรมที่มีอยู่ และทำนี้จะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่สัมผัสมีทางเดียวคือใจแลืา ก, การที่จะสัมผัสทำขั้นนั้นๆได้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติความสามารถแหงการปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรทมก็ปรากฏขึ้นตามกำลังของตน การเรียนจดจำธรรมนั้นเรียนวิธีการแต่เรียนได้มากได้น้อยก็ได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้สัมผัสธรรมสัมผัสแต่เพียงสัญญาความสำคัญมันหมายว่าธรรมนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นทำขั้นนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นความสัญญาคือเป็นความคาดหมายของจิตธรรมดาธรรมดา ที่ไม่เจอความจริงเพราะไม่ได้ปฏิบัติการเจอความจริงต้องเจอด้วยการปฏิบัติปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมามากน้อยเช่นศึกษาจากอุบายะในวงกรรมฐานห้าเป็นต้น นี่เรียกว่าภาคปริยัตย์บอกสอนสถานที่ที่ทํางานพิจารณาี่คลายดูงานให้เห็นตามความจริงของมันเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเป็นต้นมีเรียกว่าปริยัตยิปฏิบัติการนําสิ่งที่เรียนคือเจสาล ม, มานาขาลันตาตัะโจเป็นต้น ไปคขี่คราดูตามที่ท่านสอนไว้ว่าอาการนั้นๆแต่ละอาการเป็นอย่างไรพินิจพิจารณาดูอาการนั้นๆหรือในเบื้องตน้นยังไม่สามารถจะขี้คลายด้วยปัญญาได้ก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมให้จิตมีความสงบไม่มีให้มีจิตมีความจดจ่ออยู่กับ อาการแห่งธรรมบทนั้นๆอันเป็นภาคสมถะเพื่อความสมกสงบใจด้วยกรรมฐานแต่ละบททุบที่ตนนำมาบริกรรมภาวนาจากนั้นก็คลี่คลายดูอาการนั้นๆไปโดยลำดับที่สัมผัสสัมพันธ์กันหรือดูดดื่มกันทั่วสารพางร่างกายจนปรากฏเป็นความเห็นชัดโดยลำดับด้วยปัญญา ถึงขั้นซึ้งภายในจิตนี่เป็นความเชื่อแน่ว่าเป็นอย่างที่ท่านสอนจริงเห็นอณนนิจังความแปรสภาพก็เห็นได้อย่างชัดเจนภายในการปฏิบัติของตัวทุกครั้งความทุกข์ก็เห็นได้อย่างชัดเจ น, น, น, ท, ท, เ น, เจนทั้งทา ง, ทงร่างกายและจิตใจอนัตตาดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนี้หาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้เลยแม้จะอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็ตาม นันก็เป็นสภาพอนตาปฏิเสธความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละยิดได้อย่างทราบเห็นชัดในสิ่งนี้แล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงของสวยของงามของกีรังท้าวล์เป็นของ ให้สิ่งให้เกิดสุขปล่อยออกมาได้ด้วยลำดับนี่คือผลเริ่มรู้เริ่มปล่อยรู้มากปล่อยมากรู้น้อยปล่อยน้อยปล่อยความกังวลความยึดมั่นถือมั่นันเป็นภาระอันหนักนี่คือภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเพราะฉะนั้น การเรียนแล้วจึงถ้าต้องการผลไม่ต้องการชื่อของกิเลสและบาปธรรมเพ<ๆ>ียงเท่านั้นก็จําต้องปฏิบัติเพื่อเห็นผลตรงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อปฏิบัติเช่นท่านสอนไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนะ่ะเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันให้ถึงผลอันเป็นที่พึงพอใจหากว่าทำรรทั้งสามอย่างนี้ขาดไปเสียอย่างใดอย่าง อย่างหนึ่งจะพ่ออย่างยิ่งสองอย่างเบื้องต้นคือปริญาตปฏิบัติขาดไปเสียผลคือปฏิเวทความรู้แจ้งแทงทะลุจะไม่ปรากฏขึ้นได้เลยโดยเห็นนี้ทาสองภาคคือปริญาตปฏิบัติจึงเป็นธรรมจำเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือปฏิบัติการเรียนนั้นอาจเรียนได้มากได้น้อยต่างกันจำได้มากได้น้อย แต่สิ่งจําเป็นที่จะนํามาปฏิบัตินั้นไม่ถึงมากเพียงไรก็ตามเมื่อเป็นที่ถนัดกับจิตใจของตนแล้วนํามาปฏิบัติก็สามารถจะกระจายไปด้วยความรู้ความเข้าใจเพราะการปฏิบัตินั้นโดยลําดับลําดาจนสามารถรู้ไปตลอดทั่วถึงในส่วนหยาบเช่นรูปประคันเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้ เวทนาขันตัญญาขันธ์ขันธ์ขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นสภาวะธรรมแต่ละอยา่างนี้จะละเอียดกว่าการประเดิมแบบครอบพ้นสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ได้จะต้องอยังทราบความจริงของสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วแทนแต่เพียงว่าจิตยังไม่จรงิงตามหลักของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมของจรงิงในฝ่ายมาัธยมที่บอกไว้เท่านั้น เมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเข้าวิภาควิจารณ์ขุดค้นดูสิ่งที่เป็นของจริงทั้งหลายเหล่านี้นด้วยของจริงคือสติปัญญาดังที่กล่าวมานั้นย่อมจะปรากฏความจริงขึ้นมาอย่างประจักใจไม่สงสัยเราผู้มาปฏิบัติพึ่งมีความหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าให้ต่อยให้จิตเฟ้ไปในสิ่งที่ เคยจำเจมาแล้วด้วยความทุกข์ความลําบากกำบลั น, นเพราะความรุ่มหลงลงมงายนี่เป็นสิ่งที่หลอกลวงจิตใจให้ก้าวเข้าสู่แดนแห่งความสงบได้มาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วยึ่งไม่ควรติดใจควรเข็ดควรหลับในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เคยให้คุณไม่เคยให้ความผาสุกสบายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย นอกจากบีบบังคับไปโดยลำดับตำดาถ้าจะตายจริงๆก็มีอะไรมากรอกสักนิดหนึ่งอพอเป็นพอเป็นเครื่องล่อไม่ถึงกับให้ตายแต่สัตว์ที่มีความโมกขาอยู่แล้วเครื่องล่อนั่นก็คือกิเลสความหลงไปตามเครื่องล่อนั่นก็คือกิเลสมันก็ข้าพันได้อย่างสนิทติดจมเห็นโทษเห็นขุนไม่ได้แล้วก็จมไปได้วยการอยู่อย่างนั้น ตู้ปฏิมาเพื่อจงานจัดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเต็มไปได้วยโทษโดยประการต่างๆจึงควรตระหนักในใจเราเชื่อจิเลศเราก็เชื่อมานานจิเลศนี้ไม่ต้องมีใครเสียกสันปั้นยอไม่ต้องบำเพ็ญไม่ต้องทำหน้าที่เพื่อความจงใจ ตั้งหน้าตั้งตาสร้างเหมือนสร้างอัดสร้างทมสร้างปบารมีมันก็เป็นกิเลสขึ้นได้เพราะพื้นเพของมันเป็นกิเลสอยู่แล้วถ้าในหัวใจล้วนแล้วแต่กิเลสท่อมล้อมลึกกุ้มลุมอยู่มมหมดจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอเมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงออกแต่ละอาการของของจิตจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่มีไม่ต้องตั้งใจสร้างมันก็เป็นกิเลส แต่การเรื่องแต่เรื่องของธรรมนี้ต้องไม่ตั้งจิตตั้งใจสร้างดังพระพุทธจา้าทรงสร้างพระบารมีมาเสียสงไขยกาไรแสนมหากรันี่ก็คือหมายความว่ามากต่อมากการสร้างการสร้างจะไม่ทุ่มเท ก, กำลังความสามารถทุกด้านทุกทางจนเต็มกายเต็มใจของตนแล้ว้วจัดว่ า, าสร้างได้อย่างไร อยูเฉยๆไม่จากว่าสร้างต้องพยายามเต็มที่เต็มฐานการสร้างอาศจรรย์ทำจึงเป็นความลําบากถ้าเราจะคิดในแง่นนลําบากแต่เราคิดกับเรื่องกิเลสสร้างความทุกข์ให้เรานั้นเราได้รับความทุกข์ความลําบากแค่ไหนหรือจะเกี่ยวกับกาไปตามกิเลสนั้นมีความลําบากมากน้อยอย่างไหรเมื่อเทียบกันแล้วทางด้านความทุกข์เพื่อการประกอบความภาพเทียนนี้มีคุณค่ามีมน้ําหนัก เป็นสิ่งที่ควรควรเชื่อมากกว่าการเชื่อและทําตามที่เหล็กเป็นไน้นไหนการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้มีสติคอยเตือนตนอยู่เสมอจาให้เพสจากลัดยาให้หลงกลมายาของทิ่เล็ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งสูกทั้งทุก ของมันมีวิเศษวิสโสประการไหนบ้างคล้ายๆก็สร้างมาได้กันหากว่าจะวิเศษวิสโสโลกทั้งสามนี้ก็วิเศษไปนานแล้วด้วยอำนาจของิเดศพาให้วิเศษวิสโสแต่นี้ไม่เห็นมีรายใดปรากฏเป็นความวิวเศษวิิลุดพ้นจากสภาพตามสามนี้ไปได้เึงต้องอาศัยการตะเกียบตะกายตัวเอง พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์ที่ยืนยันรับรองได้ร้อยปรเซนแล้วในการชี้แจงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยสวขาธรรมหาที่สงสัยไม่ได้ทุกแง่ทุกมุมแม้เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ตาดเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วหรือเป็นธรรมของจริงร้อยเปรเซ็นตเช่นเดียวกับกิเลสเป็นสิ่งที่จอมปลอมร้อยเปรเซ็นเช่นเดียวกันเราต้องนามาเทียบมาวัด มาตวงกันถ้าเราอยากจะหาทางออกด้วยความชอบธรรมและปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรมแล้วต้องจิตต้องประวัติถึงธรรมเสมอประวัติถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเสมอเราจะเห็นเก่ยวข้ามยากลําบากเพียงขณะขณะที่ทําความเพียรบั่งเล็กน้อย น, นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงลําบากขนาดไหนเราควรจะนํามาเทียบ ตลอดถึงสาวกท่านที่เป็นชนะของพวกเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เป็นรุ่มรุมดอนดอนพอกี่เหลียมตามเหยียบอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ล้มให้มันเหยียบย่ำทําลายแคยจนแหลกไปไม่รอดก็เพราะหลงกลมายาของมันนั่นเองต้องให้มีความหนักแน่นผู้ปฏิบัติทางยาร้อแหล ะ, ละความร้อนแหละเป็นเรื่องของกีเลียม ความหนักแน่นในอัดในธรรมในการมาคุณปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส ต, ต่างหากเป็นการท้อถอยอ่อนแอทางความเพียรด้วยความซึ่งเป็นทางด้านอัดธรรมแล้วเป็นเรื่องของกิเลสพึงนม้มรัดระวังเสมออย่าคุ้นกับสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้คุ้นกับสิ่งใดก็ เ, เท่ากับคุ้นกับตัวโจรตัวมาตัว มีพิกร้ายแรงนั่นแหละไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่มันเป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกันด้วยกานวิเดตตัวปู่ย่าตายายเหมือนกันหมดฉะนั้นทำจริงหาที่แทรกไม่ได้ทำไมเอาจริงเอาจังเช่นสมาธิทำเราก็ปฏิบบาิมานานเท่าไหร่แล้วทำไมจึงไม่ปรากฏความสงอบล่มเย็น เนลำดับลำดาซึ่งควรจะเป็นได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างแท้จริงจะพ้นมือไปไม่ได้กิเลสไม่ได้เหนือธรรมแต่นี้เอากิเลสมาเหยียบย่ำธรรมนั่นสิจึงหาผลอะไรไม่เจอผลก็มีแต่เรื่องของกิเลสผิดขึ้นม า, ท, าทั้งๆที่ตนก็สําคัญตนมากประกอบความภาคเพียรนั่นแหละแต่ไม่ทราบว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาถึงเมื่อไรเพราะสติปัญญาไม่ทันมัน ทำเลยไม่ปรากฏเพียงสมาธิทำก็ชงตัวได้ผู้ปฏิบัติเราตามปกติของจิตจะต้องว่าบุญขุนมัวยุ่งเหยิงบุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอดีตอนาคตปรากฏมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วมันก็ยังดูดต่งติดใจในอารมณ์นั้นๆนีน่ก็เพราะจิตไม่มีสมาธิหาที่เกาะ น, นั่นเอง กานั่นก็เป็นไฟไปเกาะที่นี่ก็เป็นไฟก็ อ, อารมณ์ใดก็เป็นแต่ไฟทั้งหมดเพราะเราไปเกาะไฟคือเกาะพิเรศซึ่งเป็นตัวไฟมันก็ร้อนทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าไม่มีธรรมมันร้อนอ ย, อย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวันหน้มันขึ้นอยู่กับกิเลสกับจิตที่มีอำนาจครอบงาจิตทำเข้าแทรกไม่ได้นี้เท่านั้นจึงต้องได้พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่อย แล้จิตจะสงบได้หาอุบายวิธีต่างๆสําหรับสุผลทรมานตนเองซึ่งเป็นการทรมานที่เป็นการต่าปราณพิเลตไปในตัวจิตจะสงบได้ไม่สงสยัยสังเกตนะักปฏิบัติไม่สังเกตวิธีปฏิบัติการดําเนินของตนเองจะไม่ปรากฏผ ล, ผลแล้วก็จะทําแบบรุ่มๆดมๆจุมสี่จุมห้าไปอย่างนั้นเรื่อยไปผลสุดท้ายก็ล้มเหลว ผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทําเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิต ด, ดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลําบากนั่นเองกว่าจแก้หาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สินเป็นจุนเป็นไฟแต่จกกิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเห่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ ต่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอนาทธรรมเหมือนกับว่าจิตนีม่มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นหนะเป็นที่ดื่มเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่หละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายใ น, นอยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้ มันติ่มติ่นอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดว่าอารมณ์นั้นมาขวนอารมณ์นี้มาควนอารมณ์ไหนมาควงนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหากว้านเอาต่างหะนี่คือความจริงเพราะมันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไปถ้าใจได้นะความสงบเยือกเย็นโดยทําแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบลมเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตน แล้วเราก็พอมีต้นทุนพอมีลมหายใจที่จะสืบต่อกันไปเพื่อความภาพเพียนให้ตลอดรอดสั่งได้เพราะอำนาจ่สมาธิเป็นสเสบียงเครื <c oughs> ่องหมายจิตใจเมื่อใจมีความสงบใจย่อมจะอินตัวแต่ตามขั้นแห่งความสงบแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ด้วยความถนัดใจใจก็ไม่สายไม่แสไม่หิวโหวย ทะเลทรายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างตะกอนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยกายจะทำหน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาที่บังคับให้ทําผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการขุดคน้นพิิตพิจารณาและปรากฏ รู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กําลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึ้งลงไปซึ้งลงไ ป, งงไปตัดขาดลงไปโดยลําดับกันบาเมื่อตัดกิเลสขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่ ง, ต, ง, ต, งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้าย ห้ามันก็จะได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นมาตั้งถึงหลานเหลนไ ม, ม่ที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทําไมจะไม่แสนสบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องหาความสุขความทรายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องหมายไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมๆแรงๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของทิเดศมันบีบบังคับและยังสร้างความหวังให้คน เป็นกองทุกข์ขึ้นสองชั้นสามชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกุลมายาของทิเล่นะแตเมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นะไปโดยลาดับลาดาจิตใจก็เอ อ, อบีมเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเออบีมภายในจิตใจความสุขภายในใจ ด้วยธรรมนี้พิด ก, กับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับต่าแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นยากๆก็ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วเยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอนันละเอียดเข้าไปโดยลอดทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมต ล, ลอดถึงยิมุต จะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนกับข้าออกอยู่เรื่อยๆห่วนั่นเข้าวห่วนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่สิมันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอน ส่องสอนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถสือหวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกยากลาบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเร า, ามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตชาพยายามส่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็เพื่อจะมีจกจิตแจกจแจใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการปรอคุยปฏิบัติ หูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อมอย่ามาแบบเพ้อเพอเลืออะไรที่แบบคนตาบอดหูหนวงอะไรก็ไม่ได้ยินเพิ่งจิตไม่จดจ่อสัอย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อย่างนั้นแต่มองไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มี พอที่จะถืออาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนนักครูอาจารย์นักสภาวธรรมตัวทัว่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดหมั่นปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์สา ม, มารถับเกณฑลกะหยีขวางมันไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นมัอยู่เยอะระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้ว ดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทําข้อวัดปฏิบัติเป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อนหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงกรมนั่งสมสาธิภาวนาก็ให้ตั้งอาอกตั้งใจทําอย่ามาอ่อนแอทอดถอยอย่ามาทําความเจ็บคา้านกีดขวางศาสนาอูไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำของพระพุทธเจ้าประกาศทางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงว่าท่าทายก็ท่าทายความจริงอยู่เสมอท่าทายด้วยความจริงเพราะทำนี่เป็นทำที่มีความจริงสุดส่วนทำไมผู้ปฏิบัติจริงไม่รู้มาเห็นไปทําอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แน่ว้ยทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่จะให้ประสบพบเห็นทำทางนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทําไมจริงไม่พบมาเห็นเดินกันไปยังไง ปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนแมส้สถานที่ทางกยมมันเป็นที่ประกอบความภาคเพียรก็เต็มไปด้วยกิเลสทําหน้าที่ของตนอยู่นั้นใช่เป็นมองไม่เห็นอาจเห็นทำว่าทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทำต่างๆ น, นั้นนี้แต่กิเลสลุมล้อมอยู่เสมดในยบทต่างๆแล้วจะหาทำมาจากที่ไหน นีมน่มันน่าอิดหนาละอาใจนะกิเลสเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหน <c oughs> ถ้าจะเที่ยวก็เหมือนกับว่าหาใจปลาอยู่เท่านั้นยังจะคอ่อจะจะขาดลมหายใจดูสิกิเละมันจะดุดรมร้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นเลยเนื้าหน้าตมากเท่าไรก็เหมือนอย่างโรคกรำกําเริ่มาก มองดูก็มองการลมหายใจที่จะดับเมื่อยเท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันนี่ทุกิเลสมันมัดอยู่ตลอดเวลานันก็เหมือนก็จะสิ้นลมอยู่นั่นแหละสิ้นลมแห่งความหวังหวังมากุญญพานหวังลมลมแรงแรงแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามน่องลอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลยจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์ แต่เป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดชอยู่แล้วภายในร่างกายนี้เลยบังครับลงไปที่จิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี้จะไปเจออะไรทํำไมเจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนในร่างกายนี้อยู่แล้วเป็นแต่ของปลอมที่มันเสื่ศสันตัต้นยอลงลงแรงแรงมองหาไม่ไม่เจอไม่เห็นเลยทําไมจริง ไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาด น, นะนั้นขนาดนี้จางของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนม่อมที่เล็มันนอกว่ามีถาวรมั่นคงถาวรแะสวยงามมันสวยงามอาาร่ยดูสิความจินประกาศถูกกลางวนอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจมีมีแล้วทำไมจึง ไปเชื่อจิเดียดได้อย่างลงคอแบบสนิดติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจีงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยไปนยังไงนะักปฏิบัติเราอย่าเคยเทศให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าชาาผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่เราเอาความมิเสียวิสูรอะไรมาจากอันนี้เศกสันตั้นยอไปอะไรเสดระดมแ้ง ว่าเป็นของเชี่ยงตรงเนี่ยหนามันคงทาวรนเป็นของสวยของงาเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าไปเฉยมีแต่ลมลมแรงแรงแา น, นั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยถความเชื่อตามจริงเฉดสันั้นย้อนลมมแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำลายความจริงให้พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ต่างหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้ว พิจนารณาแล้วพิจนาราล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายอันเป็นไปด้วความจริงโดยไม่ต้องสงสัยคํำนวณดูที่ในร่างกายไม่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังด้วยมันหนาแน่ที่ไหนผิวหนังเท่า น, นั้นแหละหุ่มหอ่อ ปิดหน้าร้านเอาไว้ภายใ น, นเข้าไปนั้นเป็นอะไรมันดูกันได้เมื่อไหร่ถ้าโลกหนังออกดูดูกันได้เมื่อไหร่หออหรทั้งเขาทั้งเราเกอนไปด้วยสิ่งปฏิปนี้ทั้งนั้นแล้วโลกนี้หน้าอยู่ที่ไหนเราจะไปฝืนใจยึดถือได้เหรอไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรไม่ดือ้อที่เรศต้องยอมทําเสมอถ้าทําเหนือกว่าแล้ว เพราะสงสำคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อทั้งจิตใจทำไมจริงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่าทิเลตกับทำเป็นข้าสื่อกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรมก็เป็นเรื่องของทิเลตแต่ทำลายตนเองนั่นแหละ ทำมาทำลายทำทำก็อยู่กับตัวเมื่อทำลายตัวเองจะปะทำลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเกลียวกับทำก็คือการทำลายเรายีน้าให้เห็นแกมแย่งเลขี้ค้าเอกไปตั้งแต่หนังผมหนูเลยถลอกออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้ เร อ, ออกจนกะทั้งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูได้ไหมจากเนื้อจากหนังก็เป็นเนื้อเป็นกด็ดูนี้ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโคกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนอย่างขันรูปประขันเต็มไปได้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นทั้นเย็ได้ลงคอเหรือถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้วหยุดต้องถอนความยึดมั่นถือมั่น ม no ulations, ันก็ว่างอะจริงมีแต่ร่างกายแต่นั้น่ะมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เสดสันต์ปัญญาว่าเป็นของสวยของงามของเกียวมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือในจังทุกขังอนัตตาอสุภะสุพังแล้วมันก็เวิร์ว่างไปหมดเลยสิไม่มีอะไรมาขีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนะ ใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนแต่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหนือเป็นไปได้เหรือเงาๆนี้มันก็เป็นเพียงเงาเท่านั้นเองฤทธ น, นะ ความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและ จ, จิตใจความที่าอาการอาการเป็นไรอา น, นิจจังทุกขัตตาประจําทั้งหมดสัญญานิจาเนี่ยสังขารวิญญาณังอานิจจังขัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุ ป, ปลูกลงไปหมด สิ่งสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจําปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงสุขทุกภเวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายจิต่างก็สับแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่และอย่างละอย่างออ <c oughs> สุดท้ายก็คือจิตนี้ตัวเป็นบ้าไปเที่ยวกว้านนั่นไปเที่ยวงมนี้รูปนั้นคำนี้ยึดนั้นยึดนี้มั่ ม, ามาัดคอตัวเอง เมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองหมดแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลําดับลาดาบจิตตัวยิดสั่ ง, งงางามนี่มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลําบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลําบากก็เพราะไปหลงรักสิ่ง น, นั้นไปหลงชังสิ่ง น, นี้ไปเกลียดสิ่ง น, นั้นไปยึดสิ่ง น, นั้นรักก็ยึดชังก็ยึด เียรตโกรธก็ยืดตัางหงากเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนขีดหนึ่เข้ามาแล้วจะไปะทอะไรไ ป, รไปรถีงอะไรไปเกียรไปโกรธอะไรจิตย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลําดับธรรดาหนึ่งขั้นภูมิของจิตของธรรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไปสุดท้ายก็ทางทางลายลงหมดบรรดากิเลสปัญหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หวัวใจ เมื่อปัญญาอันแหลมคมแต่กระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอื้อสัยให้เป็นที่วางใจได้มีไหมมันไมน่มันไม่มีอะไรก็รู้เรทัดเกียวและอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตายใจได้มันก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันนั้นขังวลกับอะไรที่นี่ โลกแต่ว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เมื่อจิตใจไมนไปสําคัญที่อย่างเดียวด้วยความรุ่มหลงแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้มาผูกมามัดจิตใจนี่นะไม่ว่าลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกกระทำมีความเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นประจำตนเขาไม่ได้ว่าเป็นฆาสศึกเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดตัวที่เป็นฆาสศึกก็คือใจนี่แหละเพราะมันสัญญาพิษไว้ที่ตัวเอง ยัอาออกไปตรงไหนก็ยึดก็ถือก็รักก็ชังก็เกลียด ก, ก็โกรธซึ่งบ้วนได้เป็นฟืนเป็นไฟก็มาเผาตัวเองนีปัญญาได้ช้าล้างลงไปช้าล้างลงไปจนกระทั่งไฟต่อ น, นี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นไผ่ตัวเองก็ไม่เป็นไผ่เพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาเขาหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะจะหาลู่ที่ไหนอีก รู้ออกมาจากไหนอีกเป็นความ ร, รู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมและไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปอย่างไรบ้างพอให้เกิดความกังวลหุ่นวากับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีอาการิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดการคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติ นี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมืด บ, ด บ, อ, ดบอดผูกผูกมัดมัดตัวเองนั้นจะไปรู้ที่ไหนแจ้ก็ก็แจ้ลงที่ตรงนั้นเมื่แจ้ ก, กันหมดช้าล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเจ้าอะไรมาเป็นไผ่ไม่มีไผ่เหนือก็อยู่อยู่ได้อยู่ตามความกินแม้ธาตุขันมีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจําเป็น ตามสัรชาติญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นถ้าเกิดสรรปันยอนั้นเป็นเราเป็นของเราและแบกหามมือนี้ไปก่อนอมั่นเป็นเรื่องของกิเลสปังหาก็เมื่อกิเลสไม่มีก็จะอะไรมาพาให้แบกให้หาอะไรมาบังคับให้หลงทำล้วนๆไม่หลงทำ ล, ล้วนไม่แบกไม่ยึดไม่ถืออทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยใไม่เคยเป็นค่าสิดต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นปุณโดยไถ่เดียวเท่านั้น เราผู้แสดงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไงจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่ว่าประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่จิตของเราผู้ต้องการธรรมผู้สอบแสวงหาธรรมเราจะทำํำด้วยสิใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอ้อขี้เกียจขี้ข้านมาพอมันเป็นทางสแสวงหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหาอันนี้เป็นเพียรเยียรยาธาตุขันว่า เพรายังมีชีวิตเพื่อประกอบทำที่ตนมุ่งหวังนี้ให้เลยสมบูรณ์ตามความมั่นหมายของเราเท่านั้นนี่ความมุ่งหวังของเราอย่าให้อะไรมาแซงทำต้องยกทำขึ้นเสมอการขบการฉันกันเป็นอยู่หลับนอนอย่าให้ทำเข้ามาเหยียบย่าําทําลายในขระนานนั้นให้น้อมัตระวังเสมออย่าให้ลิ้นมันแทบมันแซงทำ พันลิ้นแสงธรรมก็เห็นแต่รสแก่ชาเห็นแต่ความอรเด็ดอร่อยท้องแสงธรรมเขอยากกินมากๆจะได้นอนมากๆากขี้เกียจมากๆแล้วกิเลสจะได้ท่วหมหัวใจไม่มีวันโถ่ขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการมะขุนนิพานนั่นคือครั่งกิเลสอย่างนั้นสอแสดงหาอะไรก็มีนั่นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้นเป็นของมีอยู่กับหัวใจคิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมเราจะเลือกอะไร สมกับเราเป็นลูกศิษย์าลคตได้มาบวชในพุทธศาสนาว่าจะชำระกิเลสเราจะชาระแบบไหนหรือจะชําระแบบที่ว่ากินแล้วนอนกอนแล้วนินที่เกียร์ขีค้านมากๆนี่หรือนั่นไม่ใช่ชำรการชําระกิเลสมันการกว่ามันเป็นการกว้านกิเลสมาเผาเราให้ขี้ผายไปพวงไปเสล ด, ดมันน้อนนี่ต่างหากหพากันจํามาไว้ผู้ปฏิบัติแลว้วมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้ว ของเลวสามต่ำช้าที่สุดก็พระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้แสดงไม่หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นได้วจึงมาแสดงทั้งโทษทั้งขุนนิเรศเป็นเรื่องของโทษทําเป็นเรื่องของขุมแสดงอย่างถึงใจทุกบททุบบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่งั้นจะมานอนใจนอนจมอยู่นี้สมควรแนเหรือเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศรางวัล อยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้ปรากฏขึ้นภานจิตใจของเราดวงนี้ดวงกำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิทมขึ้นไปเป็นขั้นๆนางท่านกล่าวไว้ตามตลอดตำราสมาธิปัญญาริโมทท่านบอกว่ายังไงนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิต้านําธรรมะท่านมาปฏิบัติตามที่ท่านชี้บอกไว้ ปฏิบัติอย่งไรกิจจริงจะสงบก็เอากั น, นเรื่บังคับขนองไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผล ท, ทางความเพียรกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ตายจมอยู่นี้แหละกิเลสผ่าผลต้องผ่าผลในการต่อสู้เมื่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่อนกําลังลงก็สติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ต้องบอกจะมีความเข้มแข็งไปเดิมดับคําว่าจะลดย่อนไปตามนั้นไม่มี นี่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ชวนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งถานฐานเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของธรรมระเด็ยลำบับแล้วจะทําให้คนอ่อนแอได้อย่างไงทําไม่เคยทําคนให้อ่อนแอที่เลวต่างหากทาคนให้อ่อนแอทำคนให้นอนใจทําแล้วไม่ไม่เลยทําคนให้นอนใจนี่จะมีความเข้มแข็งและมีความเฉลี่ยฉลาดรอบตัวจนกระทั่งเจเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว นั่นแหละไอมอิสระแท้ใคาจะเสดสันต์ย้อนว่ามิเศษทีววษ่ไม่มีเศษไม่สําคัญพอตัวหมดแล้วคําว่ามีเศษนั้นก็เป็นชื่อเป็นสมมติอันนั่งต่างหากความตีเตียนก็เป็นโลกะธรรมความจมเชยก็เป็นโลกะธรรมบางตัวโลกะธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบอยูนั้นแต่เวลาทําลายทําลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงๆไม่ได้เรื่องสิ่งอันนี้จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันกินไม่ได้ มันจะไปตื่นไปหลงเอากิดให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอห ม, มุ่งอะไรใครจะหว่าวิเศษไม่วิเศษมันเป็นลมปากของเขาไปตื่นนะเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครมามาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพูดไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก่ที่นี่แล้วใครจะมาชงเชยสนรเสริ น, นหรือไม่สนรเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยแก่กจ หรือไหนได้อยู่ได้สบายกันั่นนั่นจึงเรียกว่าความอิ่มพอของใจทําให้พอด้วยทำที่กล่าเหล่านี้ไม่ใช่ทำด้วดน้ดนดาวเดาไม่ใช่ทำรลมๆแรงๆของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงน้นล้วนหากผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วจะได้เป็นเจ้าของงานธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัย ขอนพากันตั้งอกตั้งใจซึ่งปฏิบัตนะิมะเอาจิงอาจังอย่าเพ่นเพ่งั น, น, นดันเด่นเด่ น, ด, นดันดันจีดขวางหูขวงตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันละเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเดนมากเท่าไหร่ก็ยิ่มหนักอกหนกักใจครูบาอาจารย์ท่านขอนักไปแบบหนึ่ง เ, เราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันเราก็หนักไปแบบหนึ่ง นี่เคยเห็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอย่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นท่านี่อีกขอให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจดูด้วยกันให้ถือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมอย่าอยู่ด้วยทิฏฐิมานะว่าตัวมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าตัวมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกอย่านําเข้ามาเกี่ยวกับวงศาสนาวงนักบวชเราวงนักบวช เ, เรามีตั้งแต่ความรักกันด้วยความเป็นธรรมสนิทสนมกันด้วยความเป็นธรรม ความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายแล้วตาด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้ารูปศิษย์สาวกเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรร ม, มาชาติชั้นบรนณนะฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาลนกันเลยมีแต่อแต่ทํามลนวนว น, นี่คือความอยู่เป็นจุกระหว่า ง, งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสำหรับนัก บ, บวชเราอยู่อย่างนั้น <c oughs> ใครพูดเมื่อว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุที่ผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดมันเป็นความโง่าตายเต็มตัวภายในผู้นั้นเดี๋ยวเามาขายตลาดสถานที่นี้มันจะเป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งพิเลศความโง่เขลาของตนที่สําคัญตนนั้นเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่ยานํามาขายนะตั้งใจมาปฏิบัติให้จริงให้จังต่ออัดต่ อ, ตอทำ การสยายทําำมันไม่สมควรหยุดต่านี้